ในข้อหนึ่งสห้านะสังวรสูตรพปรงตรัสว่าดูความพิสูุ์ทั้งหลายเราจะแสดงสังวรและอสังวรแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเธิดดูความพิสูทั้งหลายก็อสังวรมีอย่างไรพิกษุรเอ่ อ, อไปรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันหน้าปรารถนานหน้าใคร่หน้าพอใจอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีสรรเสริญพัวพันรูปนั้น ข้อนั้นพี่สุพึงทราบว่าย่อมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความเสื่อมอนะเะเพราะไอาา้เพราะอัาธาเกิดก็ชื่อว่าเสื่อมนะใช่ไหมอสาธ า, าโดยทั่วไปก็จะเกิดในอิทธารมานะก็คือถ้าประกาศอิทธารลมแล้วอาาัาธาเกิดเท่ากับประกาศอะไรประกาศสมุทัยศาสตร์สมุทัยศาสตร์นั้นเป็นเหตุแห่งแห่งทุกช่วยไหเป็นเหตุแห่งทุก เพราะทางคําสอนของเราถือว่าความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นเหตุให้ร้องไห้นะถ้าไม่เพลิดเพลินกับสิ่งใดจะร้องไห้จากสิ่งนั้นหรือเนี่ยนมันก็ไม่ร้องไห้นะเคยได้ยินนะบอกกิเลสเป็นเหตุร้องไห้นะก็เป็นอย่างนั้นฉั้นความเพลิดเพลินในอารมณ์ใดก็เป็นเหตุให้ร้องไห้ต่อไปในอารมณ์นั้นนั่นเองนะเพราะความเพลิดเพลินเนี่ยจะต้องเกิดในอารมณ์ที่น่าปรารถนาในนี้พูดแบบสามัญธรรมดาทั่วไปนะ เกิดในเสียงที่น่าปราถนาเกิดในกลิ่นที่น่าปราถนาเกิดในรสที่น่าปราถนาเกิดในโพธพภะตลอดจนถึงธรรมรมที่น่าปราถนาที่รู้ได้ด้วยทวารต่างๆถ้าสังใครที่ค้นคว้าพิจรารณาอริยสัจมามากเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยประกาศสมุทัยสัจอยู่ตลอดนะถ้าถ้าเรียนโดยเฉพาะสติปัฏฐานบับพทานะว่าตัณหาจะเกิดเกิดที่ไหน อะไรเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละเน่ก็ยกรูปเป็นที่น่าเป็นที่รักเนี่ยนะรูปที่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกเสียงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกกลิ่นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกรถเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกโพธิภพเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกโลกก็คือเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนเรียกว่าโลกละนะหมายถึงสัตว์โลกหรือสังขารและโลกก็ได้ ธรรมอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกเพะถ้าอารมณ์เหล่านั้นอนะ่ะเป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่เนี่ย น, นะคือชวนให้กําหนัดนะนะจริงๆถ้าพูดแบบภาษาเนี่ยทำไมเขาจึงดื่มสุราเพราะมันชวนให้ดื่มเหมนะเห็นแล้วมันน่าดื่มอย่างเงี้ยนะอันนี้นะัเหมือนกันอารมณ์ทั้งหลายที่ความเพลดิดเพลินความติดความคล่องที่เกิดขึ้นอนะ่ะเพราะอารมณ์เหล่านั้นน่าปราถนานั่นเอง สำหรับผู้ที่ไปหมกมุ่นพัวพันพูดถึงสรรเสริญเ น, นี่ยนะชื่นชมอยู่กับสิ่งนั้น่ะนะเราก็ข้อนั้นที่สุพึงทราบว่าเราย่อมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉอ น, นก็เท่ากับบอกว่าเมื่อใดที่เรานึกถึงสิ่งที่เราชอบใจพูดถึงสิ่งที่เราชอบใจเมื่อนั้นให้รู้ว่าขณะนั้นกำลังเสื่อมอันนะอันนี้แต่จริงๆสังเกตดูว่าเป็นความหวังดีของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเอาไว้ตรวจตัวเองนะเมื่อไร่ที่เราคิดถึงสิ่งที่เราชอบในอารมณ์ทั้งหกเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่น่าปรารถนาเมื่อเราเนี่ยกำหนัดอยู่พูดถึงยินดีผูกพันตอนนั้นเราเสื่อมแล้วนะเสื่อมจากกุศลแล้วเสื่อมจากอะไรบ้างศีลก็เสื่อมใช่ไหมขนานั้นขณะที่นึกถึงด้วยอำนาจราคะนะราคะเป็นศีลสักข้อไหมไม่เป็น ไม่เป็นสมถะสักข้อเลยไม่เป็นวิปัสนาไม่เป็นทานศีลภาวนาอะไรเลยเพราะฉะนั้นขณนะนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเห็นไหมก็น่าการุณามากใช่ไหมคนเสื่อมจากกุศลเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับคนเสื่อมทรัพย์ในโลกนี่เป็นคนที่น่าเห็นใจใช่ไหมโม่ถ้ถฝูกถูกฟ้องล้มละลายนี่ก็เป็นคนที่น่าเห็นใจนะถ้าไร้ทรัพจริงๆไปเลยนะฉัน้นใดก็ดีตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้ที่เสื่อมจากกุศล โดยที่กุศลไม่เกิดเลยเนี่ยจะน่ากรุณาสักขนาดไหนอะไรเพราะอะไรเพราะว่าอากุศลตัวมันเองเวลาเกิดขึ้นมันก็เร้าร้อนอยู่แล้วไ ม, ไม่ได้เป็นความเยือกเย็นอย่างแท้จริงอะไรเพราะว่าอากุศลเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นศัตรูภายในใช่ไหมเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นผู้ฆ่าภายในเป็นอภมิตรภายในสิ่งเหล่านี้ไม่ยังประโยชน์ให้เกิดแม้แต่หน่อยเดียวนยังไง ประโยชน์ในโลกนี้ก็ไม่เกิดเดี๋ยวนะไปสมมติว่าในโลกในถ้าถ้ากิเลสไม่ครอบงำนะคนเนี่ยจะเสียหายประโยชน์ในโลกนี้ไหมครับว่าแบบธรรมดาทั่วๆไปนะเพราะประโยชน์ที่เสียหายกันโดยมากเกิดจากราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะ จ, จึงเสียหายประโยชน์ในโลกนี้นะว่าโดยรวมๆอะ่ะเช่นอธิ น, นาทานนะถ้าไม่มีโลภะจะอธิ น, นาทานไหมทําให้เสียหายอย่างอื่นตามมาเนี่ยนะถ้าไม่โทสะเกิดเนี่ยจะไปด่าว่าร้ายใครไหม เป็นต้นเนี่ยนะที่ผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยโดยมากไม่ได้มาจากกุศลเป็นสมุธานใช่หนะที่เดือดร้อนเร่าร้อนเนี่ยพันธก็เสียหายทำความเสียหายในประโยชน์โลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยแล้วก็โลกต่อต่อไปด้วยเนี่ยนะแล้วก็เป็นอันตรายต่อข้อปฏิบัติต่อการบรรลุมรรคผลเพราะว่าโทสะนี้เป็นอันตรายต่อศีลราคะเป็นอันตรายต่อสมถะโมหะเป็นอันตรายต่อวิปัสสนา เป็นอันตรายต่อปัญญาเนี่ยนะท่านเสื่อมขนาดไห น, นก็เสื่อมจริงๆเลยเนะท่านก็เรียกว่าผู้เสื่อมในกุศลธรรมอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสังวรเนี่ยนะเพราะเพราะว่าไปเพลิดเพลินในอารมณ์ที่ตัวเองปรารถนาแต่การเพลิดเพลินชื่นชมติดข้องในอารมณ์ที่ปรารถนานั่นแหละเรียกว่าความเสื่อมเรียกว่าอาสังวร ดูความพิสษุทั้งหลายก็สังวรเนี่ยมีอย่างไรดูความพิสูุทั้งหลายรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันหน้าปรารถนาะน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่ยินดีไม่สรรเสริญไม่พัวพันรูปนั้นข้อนั้นพิสูจพึงทราบว่าเราย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมในอารมณ์ที่น่าปรารถนาะแต่ไม่ใครอ่อ่ะ นะ ต, ต้องจําสู่ที่คุยกันบ่อยๆวันก่อนๆใช่ไหมคิดถึงอารมณ์ที่ชอบนั่นแหละแต่ไม่ใครเอาคิดดูทําไง่ยสมมุติอารมณท์ที่ตัวเองปรารถนาใช่ไหมทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโพธาภาทั้งธรรมอารมณ์เนี่ย ท, ที่ปกติก็สัตว์ทั่วไปก็ชอบอยู่แล้วละแบบนั้นแอะแต่แล้วเราต้องสังวรในสิ่งนั้นอ่ะนะนะคือห้ามไม่ไม่ให้เพลิดเพลินอ่นะแต่ไม่ได้คิดไปเพิดคิดประทุษร้ายกับอารมณ์อ่ะ จะต้องจะต้องอาศัยกําลังขนาดไหนนะอันนี้แหละคือข้อปฏิบัติในาศาสนาเนี่ยนะแต่ธาตที่กล่าวไปทั้งหมดอะนะเมื่อแยกแยะข้อปฏิบัติที่ไม่ให้กําหนัดเพลดิดเพลินติดข้องในอารมณ์นั้นก็คือศีลอย่างน้อยที่สุดก็เอาศีลก่อนใช่ไหมสิ่งนี้จะทําให้เราผิดศีล น, นะเสียหายนะอันนี้ในเบื้องแรกก่อนถ้าเลือกขึ้นไปกว่านั้นก็สมถะแล้ว วิปัสสนาเนี่ยที่จะช่วยปกปักรักษามไม่ให้กำหนัดขัดเครืองและลุ่มหลงกับอารมณ์นั้นเนี่ยนะในอารมณ์อื่นๆก็นยะเดียวกั น, นในพระสูตรนี้โดยทั่วๆไปแล้วจะจะพูดหรือจะแสดงถึงกิเลส ท, ที่น่าอ า, อารมณ์ที่น่าปรารถนาะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วสังวรไม่ให้กิเลสเกิดรักส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะเราจะละกิเลสจริงๆอ่ะมันต้องละในวัตถุที่เราชอบใช่ม วัตถุที่เราไม่ชอบนะถึงโอ้โหแผ่นดินจะถล่มบางประเทศใช่ไ้มน้ำท่วมตายบางประเทศไม่เห็นเอาไปเดือดร้อนอะไรเลยแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะเขาแค่หน้าเขาไม่ยิ้มเท่านั้นเราก็เดือดร้อนแล้วอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้วัตถุที่เราชอบใจเนี่ยเป็นวัตถุที่จะต้องเอามาทําปริญญาเอาวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญไตรสิกขาเนี่ยนะแต่ว่าอย่างว่านะการบําเพ็ญไตรสิกขาไม่ใช่ไปสัมผัสด้วยจักคุนศีเป็นต้นใช่ไหม ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าการเจริญวิปัสสนามันเจริญทางทวารนัยมโนทวารเนี่ยนะมโนทวานนะน<ม>เพราะว่าในปัญจทวานเนี่ยเป็นแค่มัตตะเท่านั้นใช่ไหมชาวนะเป็นมัตต์นะมันมันเอาไปทํากิจการงานอะไรมากไม่ได้เท่าไหร่ <c oughs> อีกสูตรหนึ่งนะัคือสมาธิสูตรว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเนี่ยนะดูก่อนพี่สูตทั้งหลาย ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง น, นะคือที่พระ อ, องค์ตรัสว่าให้ไปเจริญสมาธิสมาธิก็คือเอกคตาณนะเอกคตาเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความเป็นหนึ่งของจิตนะเอกะขะตานะก็ เ, ะเอกบวกอัคคะเนี่ยนะเป็นเอกคตาก็คือความเป็นหนึ่งแห่งจิตและเจตสิกนะแต่ทั่วๆไปเขานิยมว่าความเป็นหนึ่งแห่งอารมณ์ จริงๆอ่ะมายค่ะเอกคตาเนี่ยคือคือความเป็นอันเดียวแห่งจิตคือหมายถึงว่ามันไม่ฟุ้งซ่านนะจิตไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองมันไปคิดยังไงใจจะไม่ฟุ้งซ่าน อ, อันนั้นแหละเรียกว่าการเจริญสมถะเนี่ยนะไป ต, ต้องไปรับอารมณ์แล้วใจไม่ฟุ้งซ่านในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาคุณภาพจิตด้วยให้จิตมีคุณธรรมมีความสงบมีความประณีตยิ่งยิ่งเพินไป ในสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสก็คือพระองค์เนี่ยเห็นบุคคลผู้เสื่อมจากความเป็นผู้มีเอกคตาจิตเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่มีเสื่อมจากเอกคตาก็คือเสื่อมจากอุปจาระสมาธิเสื่อมจากอัปปนาสมาธิเนี่ยนะพระองค์ก็รู้ว่าเมื่อคนเหล่านี้ได้อเอกคตาคือความเป็นอันหนึ่งแห่งจิตกรรมาฐานจะต้องมีพี่เลี้ยงนางนมนางเนี่ยนะคือคือถ้าเขาสงบนะคนนี้จะได้ดีเลย นะ ก, ก็เป็นที่สังเกตเต็นแบบนั้นจริงๆนะอย่างพระบางรูปที่รู้จักเนี่ยถ้ารูปนี้นะสงบสักระยะหนึ่งจะได้ดีเลยเพราะความรู้อะไรท่านมีมากนะแต่ว่ามักฟุ้งอะ่ะนะคือคือคำว่ามักฟุ้งเนี่ยเดี๋ยวก็คิดเรื่องนเี่ยก็คิดเรื่องนี้นะวันหนึ่งคิดไม่รู้กี่สิบเรื่องอย่างเงี้ยนะพวกนี้ถ้าสงบสหน่อยคืออันนี้พูดถึงเขามีความรู้ดีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วถ้าเขาสงบสหน่อยเขาจะเจริญกว่านี้เยอะเนี่ยนะ แต่ก็อันนี้เป็นปกติทั่วๆไปนะคนฟุ้งอ่ะสิ่งที่ทํายากคือสมาธิอ่ะนะเหมือนกับคนโกรธสิ่งที่เขาทํายากคืออะไรจะเจริญเมตตาคนมีราคะที่จเจริญยากก็คืออสุภนะนั่นะนะเพราะนั้นไะอ้ผู้ฟุ้งฟุงทั้งหลายแหละเนะี่ยสิ่งที่ทํายากคือสมาธิแค่พูดเรื่องสมาธินะอย่างพระพิสูจน์ที่ว่าเนะี่ยเขายัางไม่ชอบฟังเลยไยนะแต่ท่านมักฟุ้งมากอ่ะ น, นะแต่ว่าถ้าพูดเรื่องสมาธิท่านก็ไม่ชอบฟังอีกนั่นแหละ มันฟุ้งขนาดนั้นนะฟุ้งจนไม่อยากไม่จะฟังเรื่องสมาธิด้วยซ้าไปแต่ถ้าภิกษุเนี่ยอย่างที่พระองค์ตรัสเนี่ยก็ถ้าหากว่าเธอนะไปทำจิตให้ตั้งมั่นจะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ชี้แนวว่าไปรู้จริงอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงว่าจักรสุรไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปทั้งหลายไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าจักสุวิญญาณไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าจัก สุสัมผัสไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยไม่เที่ยงเนี่ยนะก็คือรู้ธรรมะหในทวาร6เท่ากับรู้ธรรมะสาเนี่ยนะในในในปิยรูปสาตรูป30มสะโดยความเป็นของไม่เที่ยงในสองสอในสูตรนี้เนี่ยนะถามว่าขยะเน้นอินทรีย์ไหนเป็นพิเศษบอก เน้นสมาธินีกับปัญญินีเนี่ยนะก็สแสดงอินีสองประการนะถ้าว่าโดยตรงๆเนี่ยคือประกาศอะไรเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอก็บอกให้ไปเจริญสมาธินีเมื่อเธอมีจิตตั้งมั่นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นต้นอันนี้ก็คือปัญญินีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็แนะชี้แนะให้ไปเจริญอินะีสองนีแสดงว่าอินีสามตัวท่านดีแล้วใช่สัตทินีดีวิ สตินซีดีวิริยินซีเนี่ยดีเนี่ยนะแสดงว่าขาดอินซีสองประการเนี่ยพระองค์ก็ชี้แนะเพิ่มเติมให้เนี่ยนะอันนี้จริงๆแล้วคาสอนในแต่ละสูตรก็คือการปรับอินซีให้ในตัวนะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นคําสอนที่ปรับอินซีของบุคคลนั้นๆเลยเะนั้นผู้ที่ฟังพระสูตรมากๆเนี่ยถ้าเราฟังดูนะสังเกตดูว่าเออเราขาดอินซีไหนหรือเปล่าเนี่ยนะเมื่อฟังอย่างนี้นะ เพราะว่าคำสอนทั่วๆไปเนี่ยไม่เกินการประกาศอินทรีห้าหรอกใ น, ในบางสูตรเนี่ยขายทั้ง5้าอินรีย์เลยเช่นถ้าพูดถึงศีลเป็นต้นเนี่ยประกาศอะไรสัตินรีเห็นไหมถ้าพูดถึงความเพียรทางกายทางจิตอันนั้นก็เป็นวิริยินทรีย์ถ้าพูดถึงอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ของวิปัสสนาอันนั้นเน้นสตินซีนะแต่ถ้าเมื่อไรที่กล่าวถึงสมถะอันนั้นเป็นสมาตินรีย์แต่ถ้าพูดถึงอารมณ์มา น, นั้นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นนั้นเป็น ปัญญินีเนี่ยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจนมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงนะน่าคิดนะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ามโนไม่เที่ยงระวังไม่เที่ยงนะธรรมารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงความคิดน่ะไม่เที่ยงอันนมโนวิญญาณก็คือความคิดใช่ไหมจิตทั้งหลายไม่เที่ยงรอกมโนสัมผัสเนี่ยทุกเรื่องที่คิดก็ไม่เที่ยง แม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากความคิดความรู้สึกทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ถ้าคนที่มีจิตตั้งมั่นได้จะรู้ชัดดีใช่มมยา่ีไม่ไไดด้จํากัปวหมถ้าอย่างภิกษุรูปนี้เนี่ยท่านเจริญสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเป็นปกติของท่านอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังก็ประมาทใช่ไหม ก็ไม่เจริญพอไม่เจริญก็บอกก็เหมือนก็ชี้แนะไปเจริญสมาธิอีกเถอะ น, นะก็ชี้แนะเท่านั้นเองท่านท่านรู้เรื่องสมาธิอยู่แล้วเธอการศึกษาพระสูตรมัน เ, เราไม่ได้เห็นว่าในสูตรเดียวเนี่ยตรัสกับภิสูรรูปใดแล้วพิสูรรูปนั้นมีภูมิหลังยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เห็น น, น, นะก็อาศัยจากเนื้อหาที่มีอยู่แล้วค่อยๆ ค, คิด น, นะเพราะว่าพิกษุรที่พระองค์แสดงให้ฟังเนี่ย ไม่ทราบว่าติดตามพระองค์มานานขนาดไหนแล้วหรือท่านปกติจริงๆแล้วท่านเจริญอะไรทั้นตรงนี้พระสังคีติกาจาร์เนี่ยนะคือพระอนนท์พระมหากระสปะเป็นต้นท่านก็มาเรียงให้ดูให้เห็นความสำคัญนะเพราะเนื้อหาอย่างเดียวกันก็ยังมีตั้งหลายแห่งนะอีกสูตรหนึ่งนะรูปนี้เนี่ยขาดการหลีเกเ้นนะ ทาลีกเลนได้ดีเลยว่างั้นเถอะนะดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในที่สงัดจงประกอบความเพียรเถิดดูความพิสูจทั้งหลายผู้อยู่ในที่สงัดย่อมรู้ตามความเป็นจริงอันนี้เนี่ยกายวิเวกศีลสิกศีขานะถ้าบอกกายวิเวกตรงๆอ่ะเพราะกายวิเวกตรงๆคือศีลนะศีล ส, สมาธิปัญญานะเขาบอกว่ากายวิเวก ค, คือศีล จิตวิเวกคือสมาธิอุปถิวิเวกคือปัญญาพระองค์บอกว่าเธอจงอยู่ในที่สงัดเธอไปหากายวิเวกบ้างเพราะจริงๆการผิดศีลมันก็ผิดเมื่อเจอกับพวกอะไรไม่ได้อยู่คนเดียวนิ่งๆไม่ค่อยผิดง่ายๆหรอกนะทาไม่ขยับปากขยับกายนะโดยปกติถ้าอยู่คนเดียวไม่ผิดศีลหรอกนะไม่ผิดพระวินัยหรอกนนะแต่ว่าถ้ามีพวกแล้วปากมันอดขยับไม่ได้ไหมขยับไปขยับมาก็ แกว่งลิ้นไปเจอเสี้ยนอีกจนได้นะเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะไม่น่าพูดเลยถ้าไม่พูดสั ก, ก็ดีเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นแหละันการหลีกเล่นเนี่ยสําคัญมากแต่ถ้าเป็นหลีกเล่นก็ไม่ใช่เป็นนอนอีกนะสละเนี่ยนะแล้ก็บอกความเพียร น, นะเมื่อเธอหลีกเล่นแล้วก็จงประกอบความเพียรเพียรก็คือเพียรทางกายและทางจิตเนี่ยนะทางกายก็คือกล้วยถ้านอนอยู่ไม่เรียกว่าเพียรทางกายใช่ไหมไม่ต้องเ น, นะเพราะเป็นปกักอิริยาบทที่สัตว์ก็พึงปรารถนากันทั้งนั้นแหละ มันก็หมายถึงยืนเดินแล้วก็นั่งเนี่ยนะสามมิรยาบทเรียกว่าเพียรทางกายแล้วก็เพียรทางจิตอีกก็คือเพียรยังไงก็มันประกอบกรรมฐานเพียรกาจัดบาปอากุศลพระองค์ก็เลยให้ความสําคัญกับการอยู่ในที่สงัดเพราะว่าผู้ที่ไปอยู่ในที่สงัดบําเพ็ญความเพียรแบบนี้จักรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมในที่สงัดเท่ากับประกาศอินทรีย์ไหนบอกว่าไปที่สงัดนะสัตทินทรีย์ สมาธิสีจงประกอบความเพียเรเถิดเป็นวิริยินทร์สีอ่า น, นะแล้วก็ตอนหลังก็ประกาศปัญญินทรียีถามว่าสมาธินีหายไปไหนบอกว่าภิกษูรูปนี้ถ้าไปบําเพ็ญเพียรก็ต้องไปเพียรสมาธิสีอยู่แล้วอบรมจิตให้ตั้งมั่นนะนะโดยอัฏฐาก็เท่ากับประกาศสมาธินีกับเพราะว่าเพียรก็คือเพียรให้จิตตั้งมั่นนั่นเองเพราะนั้นถามี อยู่ในที่สงัดอย่างนี้แล้ว่จะรู้ตามความเป็นจริงถามว่ารู้อะไรตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงว่าจักสุไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปทั้งหลายไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าจักสุวิญญาณไม PT ่เท exactly ี่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าจักสุสัมผัสไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าสุขเวทนาทุกขเวทนา <which> หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่เที่ยงเนี่ยนะ ทวารหูก็เหมือนกันนะหูไม่เที composer, án, ่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตะวิญญาณไม่เที่ยงโสตะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะทวารลิ้นก็เหมือนกันนะทวารกายและทวารใจเนี่ยนะก็มโนไม่เที่ยงนะนะผวังนะผวังเนี่ยไม่เที่ยงธรรมอารมณ์ไม่เที่ยงมโนวิญญาณไม่เที่ยง มโนสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเ ป, ป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงอันคุณมลชูเวลาไปอยู่เงียบเอาสูตรนี้ไปท่องก็ได้เนี่ยนะไม่ได้สูตรอื่นเอาสูตรนี้แหละว่าอย่างนี้ซ้ำวันละแปดสิบรอบก็ได้นะพันเก้าร้อยรอบก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่มาเนี่ยจุดประสงค์อยจะมาวิเวกอยู่ในที่สงัดจะมาเพี้ยนเนี่ยเพี้ยนแลจะเห็นว่าจากักษุมันไม่เที่ยงนั่นแหละทําไมมันยังเที่ยงอยู่ดีอย่างนึง คุยกตัวเองมันเที่ยงยังไงตาเนี่ยนะทา ม, มันดียังไงอะตาเนี่ยทำไมจึงเห็นว่ามันเที่ยงทําไมจึงเห็นว่ามันสุกทําไมจึงเห็นว่ามันเป็นอัตาและจริงๆมันเป็นยังไงนะก็นั่งฟอกอยู่คนเดียวยนั่งคุยก็คุยเสียงเบาๆนะดูซ้ายดูขวานะเกิดคุยออกเสียงก็บอกเอ้ใครเนี่ยนะต้องสายแย่แน่เขาจะส่งสวนตรงอะไรลำบากอีกท่านะแต่มีตํารวจมาส นี่แสดงว่าผม้องไปสวนปุงแน่ตำรวทราบเรื่องบับตรวจแล้วเ้าเียงรู้ได้เลยไปส่วนปุง <c oughs> นั่นนะจ้างตำรวจมาจาบผ ม, มเวลาผมมีอาการดีแล้วพันอย่าออกอาการเลย <c oughs> นะเดี๋ยวจะไปอยู่อีกอีกสูตรหนึ่งนะสูตรเนี่ยชอบมากปฐมณตมหาอกาสูตรเนี่ยนะไม่รู้เป็นไงชอบสูตรประเภทนี้มาก คือคือคือฟังแล้วมันสบายใจเลยนะเพราะาอที่มันเดือดร้อนมันเดือดร้อนเพราะเราไปไปคิดว่ามันของเราอะ่ะ น, นะพรนะณณนะเนี่ยณนะตมหาตกะเนี่ยนะคืออัมหากะเนี่ยโดยมากแปลว่าตัวเองไงไหมณนะตุณณนะนะตัวนั้นปฏิเสธว่าไม่ใช่ของเรา ดูความพิสูจทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว้วจักมีเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะประโยชน์คืออะไรประโยชน์นะประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ชนชนอัฏถะอัฏะประโยชน์มีเท่าไรประโยชน์3ถ้าเฉพาะในที่นี้เนี่ยจะ ต, ต้องเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานความสุขสุขไหนสุขคือสุขที่เกิดจาก ฌานวิปัสสนามรรคผลแต่ในะเอาสูงสุดก็คือสุขในมรรคผลนั่นเองดูความพิสูจทั้งหลายสิ่งใดเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอันไจากสุขไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจากสุขนั้นเสียจากสุขนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจากมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะแปลเป็นภาษาไทยไทยเราบอกจงตัดฉันทราคะในจากสุขซะ ถ้าเธอตัดฉันทราค่าในจักโสโซได้จักมีเพื่อประโยชน์และความสุขให้ละละความพอใจในตาเสียรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราค่าในรูปนั้นเสียรูปนั้นเธอทั้งหลายละฉันทราค่าเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะประกาศอริยสัจแล้วนะ ะจะกรสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอันนี้ก็คืออนัตตาใช่ไหมประกาศความเป็นอนัตตาของทุกขสัตว์จงละฉันทราคะในจกักรสูนั้นเสียอันนี้ประกาศสมุทัยสัตว์จากข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อ น, นะเมื่อละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขประโยชน์คือนิโรธสัตว์ความสุขคือมรรคสัตว์เนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็แทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะ จากสู่วิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจากสูวิญญาณนั้นเสียจากสูวิญ ญ, ญาณนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจากมีเพื่อประโยชน์และความสุขจากโสสัมผัสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจากโสสัมผัสนั้นเสียจากโสสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจากมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสียสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นน่ะเธอทั้งหลายละเสียแล้วจากมีเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะแม้ท่านั่งทบทวนไข่ครวนแบบนี้ในในทั้ง6ทวารเลยจะดีขนาดไหน นะทั้ง6ทวารเลยนะพวกมันน่าจะทําได้นะอันนั้นลองก็เป็นทวารใจบ้างนะทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายกันในะยะเดียวกันถ้าทวารใจบอกใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละใจนั้นเสียคือละฉันทราค่าในใจนั้นเสียใจนั้นเธอทั้งหลายละฉันทราค่าเสียแลว้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขธรรมารมไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละธรรมารมนั้นเสีย ธรรมารมณ์นั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละ an มโนวิญญาณนั้นเสียมโนวิญญาณนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์และความสุขแมพระพุทธเจ้าบอกให้ตัดความรักในความคิดนั้นซะเนี่ยนะนั้นถ้าคิดอะไรได้ก็อย่าอย่าไปรักความคิดอ น, นั้นเนะนะให้ตัดความเยื่อใยในความคิดนั้นเสียเถิดโอ ي, ให้ละแม้กระทั่งความคิดเลยนะ ปกติทั่วไปเราคิดอะไรได้ก็ชอบใช่ไหมแต่เนี่ยให้ละแม้กระทั่งความคิด น, น่ะนะไม่จํากล่าวถึงความรู้สึกใช่ไหมเดี๋ยวก็ต่อไปก็ความรู้สึกก็ต้องให้ละอีกเหมือนกันมโนสัมผัสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมโนสัมผัสนั้นเสียมโนสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะแปลง่ายๆว่าทุกเรื่องที่เธอคิดนะที่เธอรับกระทบเนี่ยให้ละชั้นราคะในเรื่องนั้นซะทุกเรื่องเลยเนะีม่มาจะเรื่องไหนก็ช่างเถอด โดยที่สุดแม้เรื่องธรรมะจะกล่าวไปยัยเรื่องอธรรมเหมือนกนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสียนะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยนะคือสุข ไม่ว่าจะสุขมีอมิตรไม่มีอมิตรทุกมีอมิตรทุกไม่มีอมิตรอุเบกขามีอมิตรอุเบกขาไม่มีอมิตรละให้หมดเลยละฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นาาหาให้หมดทาละได้อย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และ meantime, ความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งความรู้สึกที่เกิดจากสมถะวิปัสนาฌานอะไรละให้หมดเลยชันทราคานะทาะได้อย่างนี้แล้วมีความสุขตอนนี้มันน่าคิดอยู่เหมือนกันเองสุขจากการละนะเพราะปกติสัตว์ทั้งหลายก็บอกสุขจากการมีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม แต่นี่สุขที่เกิดจากการละฉันนราคะในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าถ้าละฉันนราคะแล้วมีความสุขกันนะตรงนี้ต้องสัตทินซีมีกําลังหน่อยนะว่าแสดงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้สุขจริงๆกันนะถ้าไม่สุขขนาดนั้นทวงไม่ให้ละแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดขนาดนี้หรอกเหมือนกันแสดงว่าถ้าละฉันนราคะในความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ได้ไต้องดีจริงๆอ่ะจึงสอนให้ละผมก็อุปมาเลยว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายยา่าไม้กิ่งไม้และใบไม้อันมีที่พระวิหารเชตวันนี้ยา่าไม้กิ่งไม้และใบไม้พวกคนทั้งหลายเนี่ยขนไปบ้างเผาเสียบ้างทําให้เป็นไปตามปัจจัยบ้างนะพวกพานโรงทั้งหลายเนี่ยเขาก็ตัดเขาก็ขนเขาก็เผาตามเรื่องตามราวของเขาอะ่ะเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้บ้างไม่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยพวกคนเหล่านั้นอะ่ะขนไปเผาขนไปบ้างเผาบ้างทําอ ให้เป็นไปตามปัจจัยบ้างเอาไปทำฟื้นบ้างเอาไปทำอย่างอื่นบ้างเนี่ยเสียใจไหมว่าเขาทำเราอยู่ข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะอ้าวข้อนั้นเพราะเหตุอะไรล่ะทำไมเธอไม่ไปเสียใจว่าเขาเอาเราไปเผานะเนี่ยนะเขาเอาเราไปตัดนะเขากำลังตัดเราอยู่นะทาไมไม่เธอไ ม, ไม่ไม่คิดอย่างนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้นะั้นไม่ใช่ตนหรือไม่ใช่ของตน คือคือในหญ้ากิ่งไม้ใบไม้ไม่ใช่อัตากบ อ, อัตานิยะคือไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนน่ยนะคือเนื่องไม่ได้สำคัญว่าต้นไม้ใบหญ้ามันเป็นอัตตาเลยแล้วก็ไม่ได้ว่าคิดว่าเป็นของอัตตาที่ไหนเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยคือไม่ได้สำคัญว่าเป็นอัตตาหรือของอัตตานะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไร arella, เนี่ยนะเมือ่อพานรงทั้งหลายเขาตัดหญ้าเป็นต้นในวัดเนี่ยในข้อนั้นฉันใด ข้อนี้ก็ฉันนั้นนั่นแหลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจักรสุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักรสุนั้นเสียจักสุนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะก็ไล่อย่างนี้อีกสามสิบหัวข้อนะสามสิบหัวข้อนะโอประกาศอริยสัจสามสิบรอบเลยหกสิบรอบสิเนาะเนี่ยประกาศอริยสัจอยู่หกสิบรอบอ่ะโอ่น่าจะได้ดีนะนี่ว่าอริยสัจไปหลายรอบนะอาจากกรย์สอน เป็นไงบ้างทำนาอะไรก็ไม่รู้มัน inate, มก็ประกาศอริยสัจหมดนะถ้าเอามาใคร่ควรให้ดูดีๆเนี่ยนะคือเป็นประกาศอะไรปริญญาไหมประกาศป h หา m ะประิญญาอย่างเดียวสูตรทั้งหมดที่กล่าวไปนะประกาศนี่ประกาศอริยสัจล้วนๆเลย เป็นพระสูตรที่นับว่าสุขุมลุ่มลึกกะ น, นะประกาศอริยสัจหกสิบรอบเลยอ่ะรนะรอบแรกสาสิบก่อนจะ่ม่แล้วก็อุปมาอีกหน่อยอุปมาเสร็จแล้วก็มากล่าวอีกสามสิบรอบอ่ะ อ, อริยสัจทั้งนั้นเลยนะหมดเวลาแล้วคุณมีอาจารย์บอกว่าสับสวิตไปนะจไปเป็นเท่าไหสรสับสวิตปกติที่พระเจ า, ามันจะมีฟิลอยู่สัจมันจะขาด ถ้ากายเวดไปต่อแานปิวน้วไปไหวบ้านช็อตก็ไม่ข